ยาีเรื่องเหตุเกิดที่โรงละครเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชนบทแห่งหนึ่งท่านเจ้าของบ้าน จะประกอบพิธีแก้บนจึงหาละครชาตรีมาแสดงวันนั้นแสดงเรื่องสังทองตอนพระสังถูกถ่วงน้ำเพชฌฆาตที่ทาหน้าที่นาพระสังไปถ่วงตัวดำรูปร่างใหญ่โตหน้าเกรงขามส่วนพระสังนั้นตัวเล็กเอวบางร่างน้อยเมื่อรู้ว่าจะถูกถ่วงน้ำ กตกใจวิ่งหนีปากก็ตะโกนให้คนช่วยแถมวิ่งตเตลิดออกไปนอกโรงเข้าไปกอดขาแม่ค้าขายขนมถ้วยตะไลที่มายืนดูอยู่ด้วยโดยแกถือไม่คาาที่หาบกระจายขนมถ้วยตะไลท่าทางเหมือนท้าเวสวรรณอย่างไรอย่างนั้นปากก็ร้องอ้อนวอนยายช่วยหนูด้วยยายช่วยหนูด้วย เขาจะเอาหนูไปถ่วงน้ำยายแม่ค้าแสนจะสงสารหนูน้อยเป็นกำลังพอเพชรจฆาตรงเข้ามายื้อยุดจุดแขนพระสังยายแม่ค้าก็ลืมตัวยกไมคานฟาดลงบนหัวเพชรจฆาาเต็มแรงพลางสำทับเสียงดังส น, นั่นนี่แน่ไอ้ใจร้ายมึงน้ำมึงรังแกแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆผล แกถูกจับไปโรงพักฐานทำร้ายผู้อื่นโดยปรับพร้อมเสียค่าสินหมายอีกจำนวนหนึ่งคติธรรมจากเรื่องนี้การที่ยายขาย ข, ายขนมถ้วยตะัยทำไปเช่นนั้นเพราะขาดสติโดยแกลืมนึกไปว่านั่นเป็นเรื่องสมมุติคิดว่าเป็นเรื่องจริงจึงเกิดเรื่องขึ้นนอกจากนี้ยายคนนั้น แกใช้กระรุณาผิดที่หวังดีผิดเวลาจึงต้องพาให้เสียเงินทั้งนี้แกลืมคติธรรมที่ว่าสติมาปัญญาก็เกิดถ้าสติตะเลิดก็ไม่เกิดปัญญาดังนั้นพระท่านจึงสอนไว้ว่าสติสับ พ, พัทธปฏิยาสติจำปราถนาในที่ทั้งปวง แม้แต่ในโรงละครก็อย่าลืมสติ